แบบของการสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมแบบให้มีความรู้สึกไปพร้อมๆกั น, นกายเราก็มีลักษณะที่พลิกมือเพิ่มมือยกมือมันก็มีให้มันลู่จะไปลู่ตอนอื่นให้มันลู่ไปพร้อมๆกันเพื่อให้มันเป็นระเบียบเฉพาะเรื่องเฉพาะเรา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 หาใจล่งๆเอาไว้เราก็ตั้งสติเอาไว้กับกายเคลื่อนไหวไปมาบางทีมันอาจจะไม่มีสติมันอาจจะหลงคิดมันอาจจะห่วงนอนอาจจะปวดขาปวดหลังปวดเอวอันนั่นก็มันมาบอกให้เราใครมันบอกให้เรารู้ว่ามันคืออะไร ความม่วงก็บอกว่านี่คือความม่วงความคิดมันก็บอกว่านี่ความคิดมันไม่ใช่สติควมปวดความมื่อยมันก็บอกแล้วว่านี่คือความปวดความมื่อยคืออาการที่มันเกิดขึ้นกับก า, ายคล้ายๆมันบอกเราเราก็ดูเอาเห็นเอาเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็ชี้ได้เลยว่านี่คือความม่วงภ า, าษาธรรมเลยว่านี่วรธรรม มันเป็นของเท่านั้นคิดไม่ใช่เป็นมิตรของเราเราก็หาวิธีที่จะเปลี่ยนความง่วงให้เป็นความรู้สึกตัวให้เป็นความรู้สึกตัวเราต้ก็เปลี่ยนได้แม้นมันเกิดแล้วเกิดอีกเราก็เปลี่ยนเป็นความลูกสึกตัวซ่อมแล้วซ้อมอีกเช่นกันเราเราจะต้องต้องตรงนี้จะต้องสร้างตรงนี้ เปลี่ยนมาเป็นอันนี้เรื่อความรู้สึกตัวนี่อะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดมันเป็นของสกลมันไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นความหนาวก็ต้องห่มผ้าความร้อนก็ต้องอาบน้ำอานหิวก็ต้องกินข้าวอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่า สิ่งที่เราสร้างอยู่นี่อันเดียวเท่านั้นเปลี่ยนไปแต่พืชเถือเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวแต่พเถื่อแต่ว่าปลี่นให้มันให้มันตรงกันข้ามถ้ามันหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวรูอย่างเนี้ยถ้ามันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวรูอย่างเนี้ยมันปวดมันเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวรู้สึกตัวอย่างเนี้ยมันง่วงเอาหอนอนก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวอย่างเนี้ย เปียนมาเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดสิ่งที่มันแสดงออกทางกายทางจิตแม้แต่ตามันเห็นรูปก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอะไรอะไรทั้งหมดนั่นแหละเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอาจจะมันกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้ทางนี้เที่ยวทางตรงนี้เดินตรงนี้มืนกับทางที่เราเดินจงกลม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 การปฏิบัติธรรมการเปลี่ยนอะไรอไรมาเป็นความรู้สึกตัวนะ่ะความรู้สึกตัวจะเป็นร่องรอยของทางชีวิตของเราชีวิตของเราต้องดําเนินไปในทางนี้แต่เวลาได้มันหลงมันจะเปลี่ยนของมันเองถ้าเรามันได้ทางแล้วขอให้ฝึกกันให้มันได้ทางเสียก่อนลําดับลํานําให้มันได้ทางเสียก่อนเอากลายเป็นนิมิตไปก่อน กายก็ออกมาเป็นวัตถุออกมาเป็นรูปแบบออกมาเป็นจังหว ะ, ะมันตามทางไปสกักก่อนสิบสี่จังหวะตามไปสิบสี่ทั้งอาที่แรกก็ลำดับลำนําสักหน่อยต่อไปต่อไปมันก็ง่ายหรอกอาจจะไม่เป็นจังหวะก็ได้ต่อไปต่อไปไม่มาเลยก็ได้มันเป็นตัวรูปทั้งหมดแล้วชีวิตเรา เราได้ใช่มันแล้วใช่ตัวรู้แล้วเพราะมันมีมันมากเหลือเกินจนเป็นมหาลู้ในชีวิตของเราเรื่องกายเรื่องใจทั้งหมดเป็นสมบัติของความรู้สึกตัวทั้งหมดตอนนั้นหละมันจะเกิดอะไรขึ้นอั น, นละเหตุอยู่ตรงไหนมันก็ต้องมีผลอยู่ตรงนั้นผลจากความรู้สึกตัวกลายเป็นวิปัสนาญาณรู้แจ้งเกิดเลื่องทางปัญญา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 อะไรที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันหลงมันไม่เอาความหลงภาษาอะไรความโกรธความทุกข์ความวปตกกังมวลนความเศร้าหมองมันยาบคลายมันยาบคลายไม่ต้องไปอดไปทนถ้ามีความรู้สึกตัวดีแล้วนะมันก็หมดไปเองนหมนกับความมืดที่อยู่ในรอบตัวเราพอมีแสงสว่างความืดมันก็หมดไปเอง ชีวิตของเราทั้งหมดมีตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นถ้ามีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีถ้าไม่มีตัวหลงเราความวิตกขังวลสมองความโลภความโกรธมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้นตอของอกุศลทั้งหลายมันเกิดจากความหลงเพราะฉนั้นเรามาจัดสรรชีวิตของเราให้เกิดความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องไปทําอะไรหลายอย่างมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัววัสดุอุปกรณ์ก็มีเอามาผิดก็ออกมาผิดออกมาผิดออกมาให้มันเกิดความรู้สึกตัวต่อต่อกันไป ต, ต่อต่อกันไปยาวไปมากไปนี่ไม่ยากแต่บางคนไปคิดเป็นเรื่องอยากก็ะจะสร้างสติก็เอากิง่งเอาจิง จะเอาให้ได้เพ่งเข้าไปแล้วก็กลายเป็นความเครียดกลายเป็นความเบือ่อกลายเป็นการเข็ดหลับไปเลยไม่ใช่ไปจริงจังอะไรลู่เบาเบาู่เบาๆบู่ซื่อซื่อไม่ต้องไปใช้สมองใช้เหตุใช้ผลวัตถุที่ทำให้เกิดความรู้ก็ไมีอยู่เอาเบาๆบารูเบาเบารู้มันแม่นแม่น รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้วอย่าไปหาคําตอบว่าฉันรู้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอยเพิ่งตอบว่ผิดว่าถูกเอาทิ่งไปเลยความผิดความถูกความได้ความเสียเอาทิ่งไปเลยเพียงแต่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันผิดก็รู้สึกตัวเนี่ยมันถูกก็รู้สึกตัวเนี่ยมันสุขก็ร i mean ู้สึกตัวเนี่ยมันทุกข์ก็รู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดอะไรก็รู้สึกตัวเนี่ย รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นตัวเฉลยมันจะเป็นตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดเลยเราไม่ต้องไปหาเหตุหาผลมเหนือเหตุหนผืผลความรู้สึกตัวเหตุผลยังไม่ใช่สัจธรรมหรอกความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอาจจะลู้ไม่จริงที่แลงอาจจะครึ่งลู่ครึ่งหลงไปช่างหัวมันหลงไปบ้างกลับมารู้หลงไปบ้างกลับมารู้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 ตัวเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติก็คือการกลับมาปฏิคือกลับมาตั้งไว้เห็นเราไม่เสตีตั้งไว้ที่กายของเรามันอยากจะหลงไปทางอื่นก็กลับมาตั้งไว้มันหลงไปก็กลับมาตั้งไว้เอกถ้าได้กลับมาหลายเที่ยวหลายครั่งหลายหนมันจะเอียงมาทางนี้ง่ายที่จะไม่หลงต่อไปในแรกง่ายที่จะหลง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 สร้างความรู้สึกตัวเอาไว้ในทีท่ที่เราปฏิบัตินี่จึงมีความมั่นใจมากๆถ้ายกมือเป็นรู้สึกตัวเป็นนั่นแหะเป็นอรดกเป็นสมบัติของเราแล้วมีมือสองมือมีแขนสองแขนน่ะเอามาวางไว้บนเขา่าก็มเขา่าิกมือขึ้นข้างขวาข้างซ้ายรู้ได้ทุกคนรู้ได้ทุกคน งั้นมันไม่รู้ก็พยายามให้มันรู้เพียนตรงนี้เพียนรู้ขยันรู้เรียกว่าความเพียนการขยันรู้เรียกว่าภาวนาภาษาภาษาวัดวัดเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือขยันรู้แล้วมันก็ขยันได้สิบสี่จังหวะคือความขยันที่ชอบทำในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติ สิจังหวะพอดีพอดีกับจังหวะที่ลู่พอดีไม่ไวไม่ชาการยกมือแต่ละครั้งไม่ไวไม่ชาพอดีพอดีเป็นลําดับลํานําจังหวะพอดีวักพอดีลู่เอาลู่เอามันมีความพอดีกับสิบสี่จังหวะกับก้าวเดินความรู้สึกตัวกับการก้าวแต่ละก้าวพอดีพอดีไม่ทําให้เนิ่นชา ทำให้ทียังเกินไปลักษณะของการเดินแต่ละชีวิตอาจจะห่างทีต่างกันคนหนุ่มๆอาจจะแข็งแกล่งอาจจะเดินชึบๆได้สําหรับคนแก่อาจจะเดินชับๆตามกับหลังความท่วงตัวก็เอาไปตามจังหวะของความฮอดีของแต่ละคนไม่ต้องไป ถามว่าทำวดัดีทำชาดีเดินชาหรือเดินไวมันดีไม่ไม่ต้องถามเอาความพอดีของตนเองมันมีอยู่กับเราแล้วการยกมือสร้างจังหวะบางทีจังหวะทีก็มีจังหวะทีจังหวะวัวมันใช่ตอนไหนอาจจะใช่ตอนที่มันง่วงเหงาหานอนอาจจะใช่ในตอนที่มันคิดเพ้อวัญไปทางอื่นแวเรียกกลับมาให้มัน ทุ่มน้ำหนักลงไปให้มันได้รู้สึกตัวปลุกให้มันรู้สึกตัวการเดินก็เหมือนกันบางทีมันก็เดินช้าๆก็ได้เพราะมันรู้สึกตัวดีบางทีมันเลื่อนๆลางๆก็จับเข้าไปจับเข้าไปแบบตกเท่าเข้าไปอย่าแบบเนิบเนินแบบตกเท่าเข้าไปจับจบเข้าไป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 หลายอย่างแล้วล้วก็มีศรัทธาว่ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบาปบุญมีจริงแล้วเราก็สัมผัสดูความรู้สึกตัวก็มีจริงๆสัมผัสดูกับความหลงก็มีจริงๆความหลงกับความรู้ก็ต่างกันจริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็เปลี่ยนได้จริงๆแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นธรรมจริงๆความหลงก็ไม่เป็นธรรมจริงๆ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 ไม่เสียเวลาไปกับความสุขความทุกข์นี่แต่ความรู้สึกตัวได้ใช่ทันทีความรู้สึกตัวก็เป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจทันทีเรียบง่ายทันทีเบาทันทีวางทันทีหยุดทันทีหมดไปทันทีไม่ใช่เรื่องการทดลอมันเป็นการสัมผัสสัมพันธ์การปฏิบัติธรรม ยังเป็นเรื่องชีวิตของเราร้วนล้ว น, วนทุกคนมีสิทธิเหมือนกันอย่ามาเอาความหนุ่มความสาวอย่ามาเอาความแก่ความเท่ามาอวดมาอ้างอย่ามาเอาเหพศปธิเนกกายมาอ้างโอ้ยหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อ ก, ก็ทําได้พอกขนเป็นเพราะว่าจะโยมพ่กแขนก็ทําไม่ได้ไม่ใช่เด็ดขาดไม่ถูกเด็ดขาด เป็นการกล่าวตู่พระธรรมเราความรู้สึกตัวยอยู่กับพระก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับครวญญายมก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับคนหน öz, ุ่มกค็คือความรู้สึกตัวอยู่กับคนแก่ก็ค <c> um> ือความรู้สึกตัวอยู่กับเพศหญิงเพศชายก็คือความรู้สึกตัวเหมือนกันอยู่ในบ้านคือความรู้สึกตัวกับนั่งอยู่ในวัดคือความรู้สึกตัว <c> um>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 ตั้งต้นเลยยากถ้าตั้งต้นคนเดียวตั้งต้นเลยยากมีแ ต, ต่พระพุทธเจ้าพระองเดียวเท่านั้นที่ตั้งต้นเรางได้เพราเราก็ตามได้เลยแบบเรามาตั้งจังกิดกรรมแบบนี้ขึ้นมามันก็คึกคักหน่อยหนึ่งหลวงพ่อก็คึกคักแต่ก่อนไม่คึกคักยังไม่เห็นญาติเทียนโยนี่ยนะคึกคักขึ้นมา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 ขึ้หลงขึ้งรูปอะตรให้ตมันติดแล้วมันไปของมันเองี่วันี่ปีมันก็รู้อยู่ตรงนั้นรู้อันเดียวความรู้วันนี้อาจจะอาจัะยังไม่ชัดเจนเพราะมันถูกแบ่งถูกแยกแต่ความรู้วันครั้งหน้าถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาเราจนจริงๆเน่มันจะช่วยเราได้เวลานี้เราจังมีทางออกต่างอื่นเช่นเวทนา เวทนามันเกิดขึ้นกับเราเราอาศัยอริยบทเปลี่ยนมันได้แต่เวทนาขณะที่มันเกิดขึ้นกับเราเราไม่มีอริยบทนะตอนนั้นเราจะเก่งตอนนั้นด้วยอริยบทเนี่ยทําให้เราไม่เห็นเวทนาชัดเจนได้ไม่ได้มรู้ธรรมถ้าเวลาใดที่มันมีอริยบทแล้วทุกข์กัทุกข์นอนอยู่กับหมอนกับเสือนะ่อเราจะอยู่ยังไงตอนนั้นแหละเราจะเก่งเพราะเราฝึกไว้แล้วเดี๋ยวนี้ อริบท al, มันบังเวทนาไม่ทําให้เราเห็นเวทนาชัดเจนไม่ได้ขี้หน้าเวทนาเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาสวันหนึ่งเราจะต้องพูดคำนี้ออกมาได้กายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาวางปั้วปะไปเลยเดินไปอย่างเบาวิวไปเลยไปไหน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 ตัวตัวเราเป็นสักว่ากายที่มันเกิดเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมขึ้นมาแล้วก็อาศัยรูปกายเหมือนพว่วงเหมือนแพ พ, แพ่วงแพมันก็ผูกก็พังมันก็เน่าทั้งคราวที่มันผูกมันพังมันเน่าเปะปะรักษาเท่าไรก็ไม่หยุดเราก็ขึ้นฝังได้เลยเราไม่ต้องไปแบกไปตามเอาไว้ตรงนี้มันเรานั่งบนเรือ ถึงข่าวที่เรือเราพังเราก็ขึ้นฟังอาศัยเป็นพ่วงแพเพื่อข้ามฝั่งข้า ม, ามพ้นเวทนาก็เหมือนกันเจียมันสุขมันทุกข์ก็คือเราพอเราเห็นไปเห็นไปมันไม่ใช่เราเวทนาสักว่าเวทนามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเสียเวลาพ่อเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้พอเราเห็นโอ้เวทนาน้อยบางทีเวทนาบางอย่างต้องขอบคุณ ขอบคุณเขาเราได้บรรลุธรรมเพราะเวทนาขอบคุณเขาไม่เอามาเป็นสุขไม่เอามาเป็นทุกข์มาเอาเอามาเป็นการบรรลุธรรมเอามาเป็นการบรรลุธรรมมาเป็นการช่วยช่วยเขาแล้วเขาไม่มีเวทนาเขาก็ไม่ใช่รูปใช่กายเป็นร้อนเช่นหนาวปวดเมื่อยอย่างไงเหิีวอย่างเนี้ยนาขอบคุณเขา นั่งอยู่ น, นานๆไม่รู้จากปวดต้องก็ไม่ใช่กายไม่ใช่รูปมันไม่ใช่โูกถ้าไม่รู้จากร้อนจากหนาวไม่รู้จากหิวมันก็ไม่ใช่รูปเขาแสดงออกถึงเป็นการสัญญาณภัยของเขาเพื่อเขาจะอยู่รอดเราก็ได้ปัญญาแต่ก่อนเรามาเป็นสุขมาเป็นทุกข์วันนี้ออกมาเป็นปัญญาเวทนาศักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์คนตนัวตนเราเขา ออกไปถ้าเราเก่งมากๆอาจจะไม่ร้องโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยร้องด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยร้องด้วยความเจ็บปวดเอ่ยอก็หมดเนื้อหมดตัวแต น, นี้เราไม่หมดเนื้อหมดตัวเราเห็นเราเห็นนี่เออนี่กายนี่เวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์ เราก็เห็นไม่ใช่ตัวตนอยู่ตรงนั้นตัวตนอยู่ในสุขในทุกข์ไม่ไหมมีแต่ปัญญาเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นรูปเป็นนามไปเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมาทั้งกายก็ดีทั้งเวทนาก็ดีทั้งกิจก็ดีทั้งธรรมก็ดีเป็นรูปธรรมนามธรรมย่อลงให้เรามันไม่ใช่อะไรที่ไหนที่แ ท, ท, ท้มันคือรูปเนี่ยนะมันคือรูปคือนาม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 นี่ปัญหาจนสร้างตัวบทกฎหนมอยสร้างคุกสร้างตารางเพราะคนไม่รู้รูปไม่รู้รน้าเอารูปไปทําชั่วเอาน้ำไปทําชั่วอันนี้พอเราพอรู้จักมันก็โอ้จะใช้รูปนี่ทําแต่ความดีจะใช้น้ำนี่ทำแต่ความดีอันนี้นะนี่ปฏิบัติมันไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปเห็นอะไรที่น้อนอกจากตัวเราไม่ใช่นะ เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายที่เรามีสตินี่แหละแต่น้อยเราเห็นความรู้กับความหลงนี่ตรงนี้หันหน้าหันตามาตรงๆอย่างนี้มีสายตาก็มองตรงๆปฏิบัติตรงๆปฏิบัติดีคือทําอย่างนี้แหละตรงเข้ามาตรงนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้จะไปรู้เดินไปเห็นเทวดาอยู่ก้อนเมฆนู่นไม่ใช่เทวดาก็เกิดขึ้นจาก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 ทำไมไม่หลงพระรู้สึกตัวทำไมไม่มีความโลกตัวเพราะได้สร้างความรู้สึกตัวพอเราสร้างความรู้สึกตัวเราก็มีสักตัวควมหลงก็ไม่เกิดขึ้นใจเราก็เป็นเทวดาไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วละอายบาปเทวธรรมมันก็เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในกายในใจเราเนี่ยไดบุญก็ได้ตรงนี้เอากายมาผิดเป็นบุญเอาใจมาผิดเป็นบุญกายก็สุดจริตใจก็สุดจริต ทำแต่ความดีเมื่อมีแต่ความดีทุกคนทําแต่ความดีคนในประเทศไทยเราเนี่ยหกิบกว่าล้านคนเนี่ยมีเอากายมาทําความดีเอาใจมาทําความดีมันก็สงบรล่มเย็นแทบตาเดียวไม่ใช่ไปสร้างตัวโบทกดไม้เลือกตั้งส ส, สโซโซวเราก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆิองมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่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 ไปทำดีให้ลกูกให้หลานเห็นไปพูดดีให้ลกูกให้หลานได้ยินไปใช้ความคิดความอ่านดีๆอยู่กับลกูกกับหลานนักสอนสาศาสนาคือพ่อคือแม่คือเราทุกคนเรามาศึกษาเรามาปฏิบัติเราได้ประโยชน์เราได้เกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปบอกทำห้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นพูดให้เขาฟัง